พ เ, เพราะไม่มีการเข้าเข้าออกออกของพระทั้งในวัดและนอกวัดยุ่งอยู่ตลอดในภาษาเยนนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียนจริงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้าง ซึ่งเป็นค่าศึกกับทางด้านอิตตพวนาในครั้งพุทธการท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็ น, นื่อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทา ไม่ว่าประชาชนยติโยมและพระนินในว่ามักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่ า, าศาสนาคือการสร้างสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันาศาสนาคือกุฏิ ที่หรูหลาสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามตั้งนั้นาศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นาศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระขี้เกียจขี้คร้าน เพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นขิีมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริง ในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งนี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างเกาะมีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็เป็นประชาชนญาติโยงเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตคุดีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังนะเราก็เอามาคิดเหมือนกัน ในโตที่ไหนท่านธรรมะระหวังมากเี่นอย่งางนาวิสาขาจะสร้างสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สมม่งมอบให้พระโมคขนาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมกคนานั่นเป็นพระหานแล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลย ก็มีพระโมคคานาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกกนั้นก็มีแต่ที่เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเนื้อผา ต, ต่างๆเพื่อภาวานาอย่างเดียวนั่นแหละหลักศาสนาแท้เป็นอย่างนั้น ท่านก็กลาวไว้ว่าคันธาธุระวิปัสนาธุระมันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านสมงมุ่งมั่นจริงๆก็คือกิตตภรนาด้านนามธรรมาเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมี พระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจาเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตะภาวนาเป็นสาคัญแต่ไม่ได้เพื่อความรู้หลาโกฏิมีชื่อมีเสียงมีเหตุยศทธจากการก่อการสร้างอย่างนั้ น, นมุ่งทางด้านจิตตะภาวนาเป็นสาคัญมาก เพราะฉะนั้นในอนุศาสตร์จึงไม่เว้นลั บ, บวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าชายเขาไปเป็นลาดับํำดับพอการพูดแต่เรื่องอัดเรื่องทำรรเรื่องคิ ต, ตะภาวนาไม่พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอัน เป็นเรื่องของคารวะเาขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องนีหน้าที่ประผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่บุ้นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไรอันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนดง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่าย ไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันไา้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่เราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควร เทียม้วดกวดขันในเรื่องความเพลี่ยนของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกรมจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยวยรักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขที่ต้านทานแล้ว คนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างที่หายปนปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็เพราะมีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่อะเป็นสำคัญมากอยูกจำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลย เพราะอำนาจแห่งธรรมนี่การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าจิตต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมผมไหวพลิบตลบตะแหลงนีไม่มีอะไรเกินกิเลกเรียกวศั์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่าได้ บายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันสุดลากฉุนลากสัตว์โลกให้เป็นไปในงแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้แล้วอย่าพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งๆที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำรรจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็น คู่แข่งกันมีมีทำเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสยูแล้วภายใน จ, ใจิตใจตามความรู้สึกของสนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังซิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ ความที่เราไม่ทราบว่ามันเถื่อไปได้อย่างไงนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือทำรรเราคือสติคือ ส, ต, อสติปัญญาเราไม่เพียงพอจึงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี้เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วและมีธรรมแล้วรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลส ยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไรบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเหล่านี้ผมนั้นแน่ใจร้อยเปอรเซนว่าไม่สงสัยนี่อยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมไหมที่เลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบว่าจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้ว หนักขนาดไหนแล้วควมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยเอา้าวถึงไหนถึงกันน่ถึงขนาดนั้นแหละ น, นี้พอมียิแบยบิแบแยบแยบเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็ถ นั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราบกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บือบริสุดขึ้นมาไม่ได้นกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราบกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่าง ทางป่ายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบุตรสัพของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ก็คพฤปัปฏิบัติตามเลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราี้ล้วนแล้วแต่ทาเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานาจ ฉลากแหลมคมเหนือกิเลสทั้ทงนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความสนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระย ะ, ะ, ยะหที่เป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสนะซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่า ง, างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นอย่างไรวันหนึ่งวัน มีความรู้ถึงตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลส ก, กับธรรมบญหัวใจนี้อันไหนมีมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลออ๋ อ, อตรงนี้นั่นเราพีิจารณนั่นแหะเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า กิเลสนะ่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องตน้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสําคัญในการประกอบความก้าเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็าตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆ เมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่ว่าทำว่าทำแล้วจะตามตามกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งๆ ท, ที่ล้มลุก ค, ครานให้มันต่ออยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณยี่สเปอร์เซ็นต ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่เต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังลงมลุกคูุขลาดแต่การปฏริบตัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมา เป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุขสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นเนี้ยเป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาพเพียนเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านัน้นนี้เราพูดย่นย่นเข้ามาเลยว่า เมื่อความเพียนทั้งเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นล่ละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอาต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้คือเิเลสด้วยความรู้สึกตัวนี่เมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่าง ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละที่นี่ท่านเดียว่าไม่มีช่องว่างเด่นะคือเป็นเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบทเม้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากําลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุ ก, ล ก, ลกคุ่ ค, คานในเวลาที่เผยตัวนั้นเป็นอย่างนั้น กับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกําลังเพียงพอมาจากขั้นลูกคู่ครานเป็นเครื่องหนุนมาโดยดับดับจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี่เผลอหรือไม่เผลอก่อนรู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรม ท, ที่ที่เริ่ ม, มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มทังหาไที่หรืประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายใจิตใจนี่อย่างน้อยก็ทลอะ บ, บอกเปิดไปด้วยซะก่อนละ จากนั้นก็เลือดเยิมเยิมยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความถึงกล้าสามารถพายในจิตใจไม่มีความชะโทกชะ า, านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความบังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบพิเรศให้ราบคาบในไม่ช้า คำว่าถอยหลังหรือคำว่าทอแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเที่ยบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่เราเริ่คูกขาดเราทราบไปแล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้นะโดยลําดับลําดับมาอืห่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลส พาดกันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออํานาจของกิเลสะทําให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทําให้เผลอไม่ใช่ทําอะไรทําให้เผลอทําท่านไม่ทําให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลสตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียตอนนั้น นั่นนะแล้วความเผยจึงมีเรื่อยเพราะกิเลสมีอานาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอํานาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่ให้สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยี่ในขั้นที่มันปิดมันปิดจริงๆริงขั้นที่มีกําลังมากกิเลสมีกําลังมากจริงๆแต่อย่างไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริเยนานุธมัมเจตินั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติ เป็นองค์ศาสดาเป็นผู้สแสดงตัวเองคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรทั้งสิง้นความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสําคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความวุฒา ح, พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาผูกความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสําคัญ นี่เราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลส ก, กับธรรมอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกั น, นระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจตรงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคาว่าความที่เกียดขี้านทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวนานมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเขียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไัยในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภยัยก็เห็นชัดๆ เขายิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลําดับเป็นต่างถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขายันหมั่นเพียรขึ้นเลยนั้นหยิดทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดจะว่าขันขยันหรือไม่ขยันอันก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติ ผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแต่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในในการที่จะฟัดกับพิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้พิเลศได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้สุดท้ายพิเลสก็พังหมดไม่มีในเหลือผานในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่หนี่เราเทียบอ่าตั้งแต่เบื้องต้นที่ปราคุณปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะยระยะระยะ เรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับกาําัาและกิเลสเบาบางลงไป้าจะพูดเป็นเครื่องรับฟันก็ว่าทรมีความหนานแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้ การประกอบความภักเพียนพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลําดับลำดามาจนกระทั่งถึงยมูตุพลพนจะมองเห็นประจักษ์ภายใน จ, จิตใจขงตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นักสัจธรรมฝังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุ ก, ทกระยะ ท, ท, ทั้งๆที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรม ทั้งทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากมาติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองทุกข์ขัดนี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกข์ตามท่าตามขันเช่นความเจ็บปวดในท่าในขันเราก็เห็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งจิงเป็นของไม่หลืกได้รู้กันอยู่รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเาลาสุดท้าย เทียบมนได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมือ่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึดได้เป็นของทรมานได้ตัดแป่งได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแ้มคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองจะควรได้มากน้อยเพ็นงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำัางสอนโดยความถูกต้องแน่นําไม่ผิดพลาด ผู้ดำเนินก็าดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็กล้าขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆกิเลสก็ค่อย อ, อ, อ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบ้านั้งหมดไม่มีอะไรภายใ น, ในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นครั้งของกิเลสกับใจที่เป็นครั้งของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นครั้งของกิเลส เปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอํานาจแห่งความภาคเปียนก็กลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาจิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโอจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่ที่ท่านว่าวิมุตติพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่เกี่ยวพันในจิตใ จ, จและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรน เพราะอำนาจแห่งความเพียรทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาพิชิปฏิบัติกําจัดกิเล็ของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดสองเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไห น, นให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าล้ะละแหล่แหล่ตั้งใจมาพิชิปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอ เรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่มของจิต ท, ที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาเขาไม่รู้เรื่องรุนลาวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขาเ น, นแ่แต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในใจิตใจของเราผู้คิดผู้ปุ่งเนี่ยเป็นของสาคัญ จึงต้องระมัดระวังความคิดตุ้งของเจ้าของเนี่ยสังขารมันคิดสัญญาความหมายหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู้นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกเรื่องสมูทยัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญามันมีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิต เช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่และดวงอาดวงให้พึรงระมัดระวังเราอยากเข้าใจว่าเราอยู่ที่เฉยไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันมันเป็นอยู่ในตัวของเราเองมาดภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นนมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมูกไทยคือ เ, เรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติ ถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกลางตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟคว้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาตัาหาสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไป ค, คิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วถึงนี้ก็มี มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าลาวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองจิ่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยาูินละเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาแล้วมันระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องลาวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ําคือสติมันก็ลังงับไปกำลังงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่อง วุ่นายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอํา น, นาจของกิเลสมันฉุดมั น, นากมากกว่าที่จะ ส, สะแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุ ท, ทยัยทําให้ลืมตัวดืมตัวทั้งมันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุ ท, ทยัยในทางจงตรง ก็ลืมตัวอยู่อย่างงั้นอย่างต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งหนอนนี้แล้วตรงไหน่ะตรงที่เราฆ่า่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เร า, า, า, เ ล, รรเราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีเขาไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอบเปิกประกำมันจนกระดูกกระเจี๊ยบเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดตะบันละหมดไง เพราะเดสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่อ่ะเป็นของสําคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงอะดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจําเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะยาว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวละ ธรรมะตระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวได้เลยเรายัางเสียดายตลอดเวลาในะความคิดของเราเสียดายหาอะไรนัเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัดเป็นรมเราไม่ต้อง ไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโรกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยตุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละมันทําให้เรารุ่งเหยือกวุ่นวายไม่ใช่ให้เราขึ้นสวรรค์ชั้นพรมแล้วไปนิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันตุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพภยนตร์น่ะถ่ายไปจากทีมจากแฟมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าหรือว่าจอว่าแจรหรือไปหลงบ้ากะไรอย่างนู้นนันอะไรกันนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมันออกไปจากนี้ ไปเป็นลูกคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเทินบ้าอยู่งั้นอ่ะดูภาพยนตร์ตัวเองอืภาพพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจหไปสัญญาอาดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คําพูดคํานี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบ ต้นต่อของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิติโกผู้ทีเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้านขึ้นภายใหัวใจโอ้โหนั่อหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วสินมันภาพพุจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนอย่างสายภาพภาพยนตร์นั้นภาพยนตร์เขายังทราบมันออกไปจากฟิล์มอยู่นะเออแต่เรามันไม่ทราบว่าฟิล์มคืออะไร ก็คือหัวใจนั่นเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจัดฉากทุกอย่างนั้นเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉา ย, ยานี่ฉายเนี่ยเป็นเรื่องให้เราจมนให้เราเพลนในอ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ําลายก็ลืมกืนไปหมดเวลาได้เผลนกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของโดยสมุทัยจัดเป็นผู้จัดฉากนั่เห็นไหมเนี่ยดูจี้ตรงนี้ถ้าเวลา จิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้จําให้ดีหน ะ, ะท่านตลาดจะมุ่งต่ออาตธรรมอย่างยิ่งให้จําคํานี้ให้ดีผมตายไปแล้วคานี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติให้เห็นอัดเห็นทางก็ประเดี๋ยวลำบจะพ้นจากคำข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาลมให้เรารู้ให้ให้เราดูเพลินเป็นบ้าอนั้นมันออกจากไหนนี่แหะ ไม่ต้องมีใครบอกเขทราบมันทราบในหัวใจนี้แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกมาจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นต่อมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านอ่าสามเณรสอนพระโปธิรัตนะ์มีจอมปลวกอยูแ่แห่งหนึ่งมีหกช่องด้วยกันทันวะนี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโปธิรัตน์ โปรตนัแล้วบาลานเปล่าเรียนตอบเปล่ า, ลาหาความจริงไม่ได้มีแต่ความจําเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นะแล้วสอนครับโปรตีนัสว่ามีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งแล้วมีช่องอยู่หกช่องให้ท่านปิดเขียห้าช่องนะะ เหลือไว้ช่องเดียวแล้วจ่องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจอมปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวฮักีนจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ทันวะนะฟังหกช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนั่นจมูกลิ้นกายห้าช่องแล้วายเป็นช่องที่หกให้ดูอยู่ตรงจิตว่างัน แล้วก็เห็นเฮี้ยใหญ่คือชามูไทยแล้วนะมันปรุงขึ้นมาเฮี้ยใหญ่เฮี้ยใหญ่แต่ว่าอะไรขั้นท่านเทียบเฉยแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายมันสัมปัสัมพันธ์กับเรื่องอะไรทัศนปัญญาการกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดโดยลำดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเฮี้ยมันอยู่ตรงนี้ สมูทายมันอยู่ตรงนี้มันปรุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนเราเขาฉายหนังเห็นไหมนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมก็สติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วพังกันหมดทั้งจอบปวกไม่มีอะไรเหลือเลยอจอบปวกภายในนั้นไม่ได้หมายถึงจอบปวกใหญ่อันนั้น ความปวกภายในเนี้เอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกข้างไหนมันออกจากใจนะที่จะนางไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตนาคตพอกระเพื่มพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพ ร, พร้อมในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบ ในสิ่งทลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลยแต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกของหลานไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกเป็นสติปััญญร นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าถึงสติปัญญาขั้นภาวนามป็นญาปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังอืมบ้านแตกสาแหลกขาดที่ที่เขาละนะ่ะไม่สงสัยนะตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวั น, ต, ว น, น, ต, าวนตายไปเรื่อยๆเลไม่มีเวลาไม่มีไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียวบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เรื่องตลับเท่านั้น มีแต่คา่างค่าการผิดกิเลศขึ้นไม่มีแล้วกิเลศมันจะเอามาจากไหน4โลกธาตุมันจะมาความหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่ถ้าตีปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟังกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นจิเลศจะเอาอะไรมาเป็นวัตเอวัตตะจิตที่เคยเป็นเมื่อก่อนเห็นชัดแล้ววัตตะจิตเป็นเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ ที่ตัวมันจัดฉากเป็นๆนี่พังตัวตัวดฉากให้ลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่แสนสบายะไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่ไม่ไม่มีกิเลสตัวมาคอยจีบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบเฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์เข้ามา นั่นทิงว่าทีเรีมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นโดยการชรัดเจนไม่ต้องสงสัยอ้าวมันเป็นเกิในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี้แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พรุทธเจ้าปรินิพานไปนานสักเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ไเป็นการเป็นสถานที่เวล่ำเวลาท่านทิ้งไดว่าอาการลิโกอาการลิโกะเป็นความจริงล้นล้วนไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสารทิจิโกบอกประกาศตั้งขึ้นในนั้นเลง อ๋ออย่างนี้เหรือนั่นนีหลักการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังอีกน่าปฏิบลลัติเราเนี่ยเรารอแล้วแหละะเนี่ยมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันมันแปลกแปลกแปลกเลยาให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมไม่ินสะดุดถ้ามันมันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเ พ, อพอไไราะเพราะอะไร พราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนปกป้องที่ตรงไหนตรงไหนไม่ได้หมายถึงจะเพ่งโทษเพ่งกอนหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรพะเราเป็นผู้สอนสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลในหัวใจตรงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากาลประเภทใดมีแต่ทาําล้วนๆถึงมาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลาที่เดสมันเต็มหัวใจแล้วก็เราก็ทราบอะ เป็นนั้นก็ก็ร<ๆ>ู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทําไมจะไม่รู้ละ่ะนั่นเ ว, เวลาเป็นไปกับโลกกิเลสมันยังรู้เวลาเวลาจิดสมมุติว่าสมมุติว่านะคิดมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรที่นี่สมมติว่าเป็นไปด้วยธรรมนุษย์ทำไมจะไม่รู้ละ่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วทุกจิตทุกอย่างมันต้องรู้สินี่นี่มันจะหมดแล้วนะ ผู้ที่จะทรงมากทรงผลงนี่แหละเนี่ยให้โลกมันเหยียบเอาเหยียบเอาเ ย, ยเาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทาไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองอที่มันจะเผาหัวใจของศาตร์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกรรําหรือเป็นเครื่องกําจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผิดขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในใจิตใจ ความจมในวัฏฏะนิสานิจมาด้วยความทุกข์ความทรมาร์กนั้นแ่ะเราอยา่าว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมารตื่นเต้นไลดู้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบผังกันเองผมพูดมั น, มนจะไม่เล่งนะครับเป็นน้ำมันเลงนี่สุดเหน่อยอะไรล่ะพอรูอันกเหนื่อยแล้วงั้นนะ